วันเพ็ญเดือนแปนี่เป็นวันอะไรส่วนใหญ่ก็รู้ว่าพอถึงวันเพ็ญเดือนแปเมื่ออื่นก็คือวันเข้าพรรษาแต่ว่าก่อนจะถึงวันเข้าพรรษาเนี่ยวันนี้แหละก็เป็นวันสําคัญนะวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระเจ้าได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรกนะ ให้เราจำเอาไว้นะพระ เ, เจ้านี่ <c oughs> เมื่อพระองค์ตรัสรู้ <c oughs> วันเพ็ญเดือนหแล้วนะ่ะ <c oughs> เพื่อนยังไม่ได้แสดงธรรมโปรดญาติโยมหรือว่าโปรสัตวจนกระทั่งนี้แหละวันเพ็ญเดือน8ป <c oughs> ก็แสดงธรรมเป็นครั้งแรกพระ เ, เจ้ารู้อะไรนะรู้ทางพ้นทุกข์ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวก็มาสอนมาแสดง ว่าทางคพุทธคืออะไรนะอันนี้แหะคือจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้านี่ทรงมีพระเมตตานะรู้ธรรมแล้วเราได้สอนเรได้สั่งแนะนําก็ศาสนาก็ไปได้เกิดแต่เมื่อพระองค์เริ่มที่จะแสดงธรรมนะแล้วก็มีผู้รู้ธรรมใครคือผู้รู้ธรรมคนแรกนะนะโกนธัญญนะพระโกนธัญญะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราชาวพุทธควรรู้เอาไว้นะเพราะว่าเป็นชาวพุทธแล้วเราไม่รู้ว่าศา ส, สนาพุทธเรามีความเป็นมาอย่างไรนะอันนี้ก็เรียกว่ า, าเสียชาติเกิด น, นะอันนี้เมื่อไปเป็นชาวพุทธแล้วนะก็ต้องใช้ศาสนา เพื่อเป็นเครื่องนำทางให้เกิดความสุขนะพวกเรามาทำบุญนะในวันนี้เรามาทำอะไรกันบ้างนะเราก็มาให้ทานถวายสังฆทานนะอาหารปัจจัย4โอ้มากหลายนะ นอกจากมาให้ทานแล้วก็มารับสีน่ะสีอะไรนะ่ะก็ศีห้าบางคนศนระัทธามากก็สีแปนนะ่ะเมื่อเช้ามือ น, นี้ก็รับไปแล้วสีแปดนะมีพ่อออกแม่ออกหลายคนมาจำสีงินหลายนะ่ะาพวกเราก็มามาถือสีห้าเคยถามตัวเจ้าของไหมว่า มาให้ทานมารับษาศีเพื่ออะไรส่วนใหญ่ก็ตอบว่ามามาทํานะบุญนะแล้วบุญที่มันหน้าตาเป็นอย่างไรนะเคยสงสัยเคยถามว่าบุญหน้าตาเป็นอย่างไรนะนะหน้าตาของบุญนี่นะบางคนก็คิดว่าบุญนี่หมายถึงความมั่งมีสิริสูขความร่ํารวยนะ ทำบุญแล้วก็จะมั่งมีถ้าจะร่ำรวยนะ น, นั้นย่งหม่อแม่ได้บุญนี่หน้าตาของบุญก็คือความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขนะมีความสุขแล้วก็ใจก็สบายแต่พวกเราอยากได้ความสุขเราก็เลยมาทำบุญกัน ปีนี้เนะี่ยพอออกม่ออกลูกเล็กเด็กแดงมาพร้อมใจกันทำบุญนะที่วัดนี้โอ้มากหลายนะเรียกว่ามากกว่าปีก่อนๆ น, นะอันนี้ก็แสดงถึงความมีศรัทธานะมีศรัทธาในศาสนามีศรัทธาในบุญกุศลนะเพราะถ้าไม่ศรัทธาไม่เชื่อในบุญกุศลก็คงไป่ได้มานะ บนี่มันทำให้จิตใจแท่มชื่นเบิกบานนะเหมือนกับต้นไม้นะ่มันต้นไม้นี่มันต้องได้ฝนนะมันถึงจะเขียวมันถึงจะสดใสนะไม่หงอยปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยต้นไม้มันหงอยนะต้นไม้นี่ห่อยเหีียว เพราะว่าขาดฝนนะฝนน้อยฝนตกพร่ำพรมปีนี้ถือว่าแรงหลายเนะี่จะเรียกว่าแรงน้ำมากกว่าทุกปีอาตมาอยู่ที่นี่มายี่สุบกั่ปีแล้วนะตั้งแต่ปีสามสามนี่ไม่เคยปีไหนที่ทางวัดจะขาดน้ำมากเท่ากับปีนี้เลย แต่ว่าก็ผ่านมาได้รอดมาได้เพราะเพราะว่าได้ฝนมาช่วยเอาไว้นิดๆหน่อยๆตอนนี้ก็ดีขึ้นปีนี้เนี่ยนะฟ้านี่มันเหมือนกับว่าแรงน้านะแต่ว่าชาวบ้านเรานี่ไม่ได้แรงน้ำใจก็ยังมานะทำบุญกันมากหลายนะแรงน้ำนะแต่ว่าอย่าให้แรงน้ำใจอย่าให้แรงศรัทธา เพราะว่าถ้าเราแรงศรัทธาแล้วนี่มันอยู่ยากแรงน้ำนี่ก็ยังพอไปหาน้ำจากที่อื่นมาได้ไปหาน้ำจากที่ถ่ามาไฟก็ได้หรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องซื้อน้ำก็ยังก็ยังซื้อได้แต่ว่าศรัทธาหรือน้ำใจนี่มันซื้อมาได้ไปหาที่ไหนก็มาได้ แต่ถ้าเรามีศรัทธามีการสร้างบุญสร้างบุศลนะทําบุญทำบุศนบมากๆนี่เดี๋ยวน้ำฝนก็มานะคนสมัยก่อนนี่เวลาขาด น, าน้ำนี่ฝนแรงเพื่นมาได้แต่นางแมวหรือว่าจุดต้องไฟงเดียวได้ก็มาชักชวนกันทําบุญทำกุญศน์ทาบุญทำบุศลก็ทําให้ฝนฟ้ามันตกต้องตามฤดูกาลได้ อย่างวันนี้เนี่ยนะก่อนที่พวกเราจะมาจำศีลมาทำบุญกันก็มีฝนตกหาาใหญ่นะตอนนี้ฝนก็เริ่มมากันแล้วฝนะก็เริ่มมากันแล้วถ้าว่าวเรามาตั้งใจกันมาทำบุญรักษาศีลหรือว่าทำความดีนะมันก็คงจะช่วยทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลมากขึ้นนะอันนี้มันเกี่ยวกันเด้นะ อันนี้ผู้จ้าก็ตัดไว้นะว่าฝนฟ้านี่มันก็เกี่ยวข้องกับศีลธรรมของผู้คนเหมือนกันจริงๆอย่างการที่คนเราเนี่ยตัดไม้ทําลายป่าก็เพราะไม่มีศีล น, นะเพราะไม่มีศีลตัดไม้ทําลายป่านะมันก็ทําให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤ ด, ดูกาล อันนี้บ้านเราก็พยายามที่จะปลูกปาขึ้นมาแต่ปลูกไปยังไม่พอเอต้องปลูกธรรมะในใจเจ้าของด้วยปลูกธรรมะในใจช่วงข้าบรรษานี้เนี่ยเขาขอให้เรามาช่วยกันมาร่วมกันทาบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็บําเพ็ญภาวนาข้ารรนศานี้มันเป็นเทศกาลธรรมะเนี่ยสามเดือนนี้มันเป็นทั้งหน้าฝนแล้วก็เป็น หน้าบุญกุศลนะถึงแม้ว่าฝนมันจะขาดขาดหายไปแต่เราก็อย่าได้ขาดศีลขาดธรรมต้องหมั่นม า, มาทำบุญนะมาบอกว่างบอกเวล า, าว่างมาวัดก็ทำบุญที่บ้านด้วยการรักษาศีลให้ครบห้าข้อนะเพราะว่าศีลก็คือธรรมและธรรมก็เหมือนกับน้ำที่ทำให้จิตใจ เบิกบานต้นไม้ต้องการน้ําฝนจิตใจคนเราก็ต้องการธรรมะนะถ้าหากว่าคนเราไม่มีธรรมะนะจิตใจมันก็ห่ยเหี่ยวนะตอนนี้ฝนก็เริ่มมาแล้วนะต้นไม้ก็จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้ น, นพวกเราเป็นมนุษย์ก็อย่าให้มันน้อยหน่าต้นไม้เด้ต้นไม้นี่มันโตเอาโตเอาเมื่อใดฝนนะ นานี่มันจะโตขึ้นโตขึ้นจิตใจเราก็ต้องโตนะอย่าให้มันหอเหี่ยวอย่าให้มันแขกกันหน้าฝนแล้วนะอย่าให้ต้นไม้โตอย่างเดียวจิตใจเราก็ต้องโตด้วยจเจริญงอกามด้วยนะพอจิตใจเราจเจริญงอกงามด้วยธรรมะด้วยบุญบุศรก็จะมีความสุขนะโชคลาบนี่ถ้าไปหวังไปบนบานสรรารกล่าวโดยที่ไปได้ทําความดีนี่มันยากนล แต่ถ้าเราทำความดีแล้วนะเทวดาหรือว่าบุญกุศลก็จะคุ้มครองเราเรื่องความดีเนี่ยนะถ้าทำเพียงแค่ศีลห้าห้าข้อเท่านั้นเนี่ยนะชีวิตก็จะเจริญงอกงามได้นะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ครบชู้หรือว่าประพฤติผิดในกรรมนะไม่พูดปดนะไม่กินเหล้าเมายาทีจริงๆสี่ห้าเนี่ยเพื่อนบอได้ห้าอย่างเดียวเด้อบอได้มีข้อห้าอย่างเดียวมีสิ่งที่ควรทําตามมาด้วยเช่นเมื่อไม่ฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยก็ต้องมีเมตตานะต่อสัตว์ด้วยสัตว์นี่ก็รวมไปถึงมนุษย์นะด้วย อันที่ถึ้เแล้วว่ารักษาสิลงข้อที่หนึ่งครบถ้วนไม่ฆ่าสารแล้วต้องมีเมตตานะไม่รักทรัพย์แล้วเนี่ยก็ต้องมีสัมมาอาชีวะนะต้องมีสัมมาอาชีวะมีอาชีพที่มันถูกสิ่ถูกทำนอกจากไม่ประพฤติผิดในกาไม่ครบถ้แล้วก็ต้องมีความพอใจในผู้คองของตัวนะพ อ, อใจในผู้คองตัวนี้ก็เรียกว่ามีสิงข้อที่สาม ไม่พูดปลดแล้วเนี่ยก็ต้องมีความมีสัจจะมีความซื่อสัตย์นะข้อที่ห้านี้นอกจากจะไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ต้องมีสติสัพชัญญาด้ว ย, ยอันนี้ถึงกีนเลยว่ามีศีลห้าครบถ้วนนะ เ น, นถ้าเรารักษาศีลให้ดีนะชีวิตเราก็จะมีความสุขมีความเจริญแต่ถ้าเราขาดตกบกคร่องศีลข้อใดข้อหนึ่งไปนะก็จะเดือดร้อนได้เช่นไปฆ่าสัตว์เนี่ยนะก็อาจจะทำให้เจ็บป่วยนะเจ็บป่วยไม่พอเวลาจะตายนี่ก็อาจจะเสือนิดนิ ด, น, ดนะ เห็นสัตว์ที่ตัวเองฆ่านี่มาหลอกหลอนคนที่ใกล้าตายหลายคนนี่นะพอจะตายเลยก็เห็นสัตว์เห็นวัวเห็นไก่ที่ตัวเองฆ่านี่มันมาหลอกทําให้ทุรนทุรายตายไม่สงบหรือว่าคนที่คนที่รักขโมยนะมันก็ทําให้ต้องเกิดเมียนเป็นไป นะบางทีก็เงินหายของหายหรือไม่ก็ถูกโกงก็นะมวยเงินไปนะมันสบายวันนี้ได้ได้เงินมาร้อยหนึ่งได้เงินมาหนึ่งพันแต่ว่าอนาคตจะต้องจ่ายต้องเสียมากกว่านั้นได้มาร้อยได้มาพันแต่ว่าเสียหมือนนี่มันไม่คุ้มกันเลยได้แต่ว่าคนที่ขโมย หรือว่าคนที่แม้แต่ติดหนี้แล้วไม่จ่ายเนี่ยนะมันก็มันขโมยนะติดหนี้คนแล้วก็ไม่จ่ายชักดาบเบี้ยนี่นะยืมไปพันหนึ่งแล้วก็ไม่จ่ายวันข้างหน้านี่ก็อาจจะเสียหมื่นเลยอดอกเบี้ยมันทบต้นเลยดอกเบี้ยมันบานขึ้นมาต้องระวังนะไม่ต้องไป ไปเดือดร้อนชาติหน้าน่ยชาตินิ่มก็จะเดือดร้อนแล้วขาโมยก็ดีเป็นหนี้ไม่จ่ายก็ดีนะมันจะเสียหายนะเงินก็จะหายเงินก็จะถูกโกงหรือว่าสูญเสียนะสูญเสียรถสูญเสียบ้านเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัวมันจะคุ้มได้ยังไงนะนอกจากนั้นนะก็ยังทําให้ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือพูดไปคนก็ไม่เชื่อ นะเพราะว่าไม่รักษาคามั่นสัญญาอันนี้ไม่ว่าจะเป็นพูดปดนะหรือว่าโกหกหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีนี่มันสนุกมันสะใจนะพอใจวันนี้แต่ว่าลำบากวันหน้านะความชั่วนี่มันอาจจะให้ความพอใจให้ความสุขวันนี้นะแต่ว่าเดือดร้อนวันหน้าแตนะ่พอฌานถ้าว่าเราอยากจะมีชีวิตที่พาสุขสงบ นะมีความเจริญงอกงามก็ให้ตั้งหน้าต่างตานะทําความดีรักษาศีลให้ได้มาให้ทานถวายทานกับพระดีแล้วนะแต่ว่าก็ต้องรักษาศีลให้ดีด้วยนะข้อบรรษานี่ก็ตั้งใจเด้อนะัใครที่รักษาศีลดี่แล้วก็ยาำเลิกหรือว่าลดหรือว่าละอบายมุขนะเพิ่มเติมนะ เลิกเล่าแล้วก็การทานั้น <c oughs> ก็ควรจะลดควรจะละบ้างนะ <c oughs> เลิกได้ก็ดี <c oughs> ถือว่าเป็นพุทธบูชาช่วงข้าวรรษานะ <c oughs> กลับมาเข้าหาธรรมะ <c oughs> ใครที่มีเวลาก็มาจําศีลมาถือศีลแปดก็ได้ศีลห้าก็มาจําศีลได้ด้วยนะ บางคนถือศีลแปดลำบากไม่สะดวกก็มาถือศีลห้าแล้วก็มาจำศีลที่วัดก็ยังได้นี่นให้ใจมันได้ใกล้ชิดธรรมะบ้างปีนี้นี่ก็มีพระมาจำพรรษาด้วยกันหลายรูปนะทั้งหมดสิบอดรูปอัตมาก็จำพรรษาที่นี่ด้วยปีนี้นแล้วก็มีแม่ชีอีก4ีนะ อีกสองกำลังจะมาก็เรียกว่าเยอะนะถ้าเป็นที่อื่นนี่ก็ต้องฝากฝังว่าให้ช่วยกันดูแลนะให้ช่วยกันใส่บาตนะแต่บ้านเรานี่ไม่ต้องนะเพราะว่าใส่บาตกันเยอะอยู่แล้วถ้าจะบอกก็ได้แต่บอกเพีงว่าให้ใส่ให้น้อยหน่อยนะเพราะใส่เยอะไปนะแต่ว่าปีนี้นะพรรษานี้มีคนช่วยแบกเยอะก็ก็คงช่วยกันเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะ สายมากก็อย่าให้ส่เกินนะอย่าให้สายเกินกําลังนะส่บาดเกินกําลังก็บาดีได้จะใสายน้อยสายมากก็ได้บุญคือกันแนะ่ถ้าคนไม่เข้าใจว่าถวายมากให้เงินมากนี่จะได้บุญหลายนะถ้าถวายน้อยให้เงินน้อยนี่จะได้บุญน้อยนี่มันมับ่อนแม่นเด้บุญกุศลนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินหรือปริมาณเข้าของนะ มันอยู่ที่ใจนะใจศรัทธาใจศรัทธามีน้อยมีแค่ข้าวปั้นเดียวก็ได้บุญแล้วนะไม่มีกับข้าวก็ได้ไม่มีเงินซื้อกับข้าวถวายแต่ข้าวเหนียวก็ได้แล้วข้าวเหนียวนี่จะถวายนี่ไม่ต้องไม่ต้องปั้นใหญ่ๆก็ได้นะปั้นเล็กๆ ก, ก, ก็ได้บุญคือกันได้บุญเท่ากันนะอยู่ที่ใจถ้ามีมากแต่ให้น้อยนี่อันนี้ได้บุญน้อยนะ แต่ถ้ามีน้อยแล้วก็ให้พอประมาณอันนี้ก็เรียกว่าได้บุญมากนะถ้าปีนี้ก็ยังไงก็มามาจําศีลจำบ้องมากนะวันพระวันศีลก็มากันให้มากๆนะมีพระหลายแล้วแต่ว่ามีโยมใส่บาตรน้อยมีโยมมาจําศีลน้อยหรือว่ามีโยมมามาทําบุญในวันพระน้อยนี่มันมันบอกคือได้นะ มีพระมาะมากๆเราก็มาช่วยกันทำบุญนะอย่าให้น้อยหน้าพระอย่าให้น้อยหน้าแม่ชีนะวันนี้ก็ะเป็นวันบุญที่พวกเราได้มาร่วมกันสวายนะปัจจัยสี่นะมีข้าวปลาอาหารเป็นต้นนะก็เพื่อช่วยให้พระสงฆ์แล้วก็นักปฏิบัติธรรมหลงแม่ชีได้ มีปัจจัยในการปฏิบัติธรรมนะเพื่อจะสื่อทอดศาสนาและเพื่อทำประโยชน์ให้กับส่วนร่วมแล้วนะก็ข อ, อนุโมทนาด้วย